พระมเมหสีอดิพระมเมศีพระนางยโสธรารวมนั่งลูกชายแล้วก็พระปรญ ย, ยาติาทั้งมวลในครั้งนั้นก็มีพระญาติหลายท่านได้ตามเสด็จออกบวช ด, ด้วยอันหนึ่งในนั้นก็คือพระพัิยะพระพัิญานี่ก็ถือเป็นเป็นเจ้าที่มีอำนาจ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 ตำแหน่งมีควรับผิดชอบที่ต้องดูแลท่านคงคิดว่าคงไปบวชชั่วคราวแล้ส่วนพระอนุรธทนนี่ก็ไมไ่ตั้งใจบวชเพราะศรัทธาเหมือนกันนะจริงแล้พี่ชายเข้าใจก็คือพระมหานามมะเนี่ยตั้งใจจะบวชก็เลยมอบภารกิจการงานให้พระอนุรุธทะพระอนุรุธทะนี่ท่านเป็นคนรักสบาย พอรู้ว่าจะต้องมีภารกิจใดต้องทำบ้างรวมทั้งการนำผู้คนทำนาพิธีนี้ก็คือเป็นพิธีแรกนาควันอย่างนั้นสมัยก่อนนี่เจ้านี่ก็ทำนานะอาจจะทำนาเพื่อเป็นสัญลักษณ์พอถ้ารู้ว่ามีภาระเยอะหรือเกินเนี่ยไม่เอาดีกว่าไปบวช ด, ดีกว่าเพราะบวชนี่ไม่ต้องทำงานนะที่แล้วไม่อยากบวชเพราะว่าพอรู้ว่าบวชแล้วนี่ก็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 คาราว่าเป็นครอหรหัสเป็นผู้ปกครองหรือเปล่าเป็นราชาก็เลยไปทูลพระ เ, เจ้าพระ เ, เจ้าก็เลยเรียกพระปฏิยะมาเราก็ถามว่าจริงไหมที่ท่านพูดเช่นนั้นพระปฏิยาก็ตอบว่าใช่พระ เ, เจ้าก็เลยถามว่าทำไมพระปฏิยาก็เลยตอบว่าเนี่ยตะกอนตอนที่เป็นครอหรหัสมีอำนาจมาีบริษัทบริวารเยอะ แม้ว่าจะอยู่สบายมีทรัพย์สมบัติพร้อมพรั่งแต่ว่าก็ไม่มีความสุขเลยอยู่ด้วยความสะดุ้งกลัวอ า, อาจจะสะดุ้งกลัวคนที่จะมาทำร้ายกำลังแล้วก็มีความวิตกกังวลจตพอได้มาบวชทั้งที่ชีวิตก็ไม่ได้สะดวกสบายชันมือเดียว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 มีภาษาสามหลังนะเรือว่ารวยรพอๆกับเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะหรือเจ้าชายสิทธัตถะก็มีภาษาสามหลังยัตสะหรือก็เรียกว่ายัตสระกุลบด์นี่ก็มีภาษาสามหลังเหมือนกันแต่ไม่มีความสุขเลยาชีวิตท่านก็ ค, คล้ายๆกับเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะแล้วก็มีบางฉากบางตอนก็คล้ายๆกับเจ้าชายสิท ธ, ธัตนถะเจ้าชายสิทธัตถะนี่ ตื่นขึ้นมาคืนหนึ่งเห็นนางสนงกำนันหญิงสาวฟ้อนรำต่างๆนอนก่ายกันดูแล้วเนี่ยเหมือนซากศพยาศกดิรบุย ก, ก็พบประสบฉากคล้ายๆกันเลยก็ทำให้เกิดความเบื่อหน่ายเห็นหญิงสาวที่สวยงามต่างๆนี่พอพอสลบสลายแล้วก็ ไม่ได้น่าชื่นชมอะไรเลยก็เลยเกิดความเบื่อนหน่ายเดินออกมาจากประสาทนะแล้วก็บ่นพึมพำว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอเดินไปจนถึงปลายสิบปั ต, ตนน้หรือกัตไทยวันก็เจอพระติจ้าพระองค์ตัดว่าที่นี่ไม่วุ่นวายหนอที่นี่ไม่ขัดข้องหนอก็เอดใจก็เลย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 เลิกฟังก่อนฟังแล้วก็พูดให้กำลังใจมีลายหนึ่งโทรมาฟังจากปัญหาที่เขาพูดก็รู้วเป็นนักธุรกิจและเป็นนักธุรกิจใหญ่ด้วยเขาเครียดมากถามว่าเครียดเพราะอะไรคุยไปคุยมาก็เครียดเพราะว่าธุรกิจเนี่ยมันย่าแย่ ย, แ ย, ย่าแย่ยังไงนะเขาก็เล่าวัานนี้แต่ก่อนเนี่ยมีกําไรหมื่นล้าน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 ไปยึดมันถือมันว่านเนี่ยเงินเป็นของเราเงินเป็นของเรานะพอมีโจรมาปล้นบอกเอาเงินมาหลายคนเนี่ยทายัางไงแทนที่จะรักษาชีวิตไว้เนี่ยกลับต่อสู้ขัดขืนต่อสู้ขัดขืนเพราะอะไรเพราะต้องการรักษาเงินเอาไว้โจรก็เลยทำร้ายบางทีพิการหรือถึงตายอันนี้แสดงว่ารัก เงินทองมากกว่ารักตัวเองพอทลักตัวเองนี่ก็ต้องยอมนะยอมสละเงินไปยอมสละกระเป๋ายอมสละสมบัติให้มันให้โจรไปแต่ว่าคนเป็นอันมากเนี่ยรักเงินมากกว่ารักชีวิตเพราะนั่นเนี่ยต้องรักษาพยายามรักษาเงินทองเอาไว้รักษาทรัพย์สมบัติเอาไว้ยอมตายยอมตายเพื่อมัน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 หรือละโลภกดลงนะนี่มันยากเอาแค่ละสิ่งที่ทางพุทธศาสนาเรียกว่านิวรณก่อนดีกว่านิวรเนี่ยมันก็หมายถึงอารมณ์ที่มันเป็นเครื่องขัดขวางความดีใครเวลาเกิดนิวรณขึ้นมันทำให้เกิดทาให้ไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีความรู้สึกตัวนิวรณ์ได้แก่อะไรนะอันแรกคือ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 เป็นไปด้วยความทุกข์นนะเวลาเวลานักปฏิบัติเนี่ยจะทำสมาธิเดินจงกรมสร้างจังหวะไอ้ตัวเนี่ยคือเครื่องขัดขวางบางทีตั้งใจจะทำแต่ว่าเปิดโทรทัศน์เห็นละครติดใจอยากจะดูก็ทำให้เลิกความคิดที่จ ะ, จะเจริญสตินั่งสมาธิ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 เครีดเกิดความหงุดหงิดรู้สึกไม่พอใจเสียงที่ได้ยินมาจากในครัวหรือว่าไม่พอใจคนข้างๆที่คุยเขาคุยกันอ่ะอันเนี้ยเกิดความหงุดหงิดผ่านให้ไม่อยากปฏิบัติหรือว่าปฏิบัติด้วยความขุนเคืองใจอันที่สามคือความง่วงเหานอนฉินมิถะนั่นเอาปฏิบัติ ก็จะต้องเจออารมณ์นี้บ่อยมากนะโดยเพราะใหม่ๆมันจะมีความงวงาเ ห, หานอยเยอะเนีทั้งที่นอนเต็มที่แล้วแต่พอตอนเช้าปฏิบัติไม่ถึงชั่วโมงก็ง่วงแล้ะหรือว่ากำลันแสกๆยกมือสร้างจงาังหวะครึ่งชั่วโมงก็ง่วงแล้วบางคนสิบห้านาทีก็ง่วงแล้วทำให้ไม่อยากปฏิบัติท้อแท้ นอกจากธินมิทะแล้วก็ยังมีตัวหนึ่งนะือว่าอุทธจักกุกุจักคือความกระสับกระสายความว้าวุ่นตัวงตัวหนึ่งที่เกิดขึ้นประจําคือความฟุ้งซ่านอันนี้ก็เรียกว่าเป็นอุทธจักกุ ก, กุจะรวมทั้งความวิตกกังวลด้วยแล้วมันเกิดขึ้นทีไรนะก็จิตใจไม่เป็นสุขนะันไม่ใช่แต่เฉพาะเวลาปฏิบัตินะอยู่เฉยๆถ้ามีตัวนี้ขึ้นมาก็กระสับกระสายแนละ้ว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 เวลาอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทำงานมันก็รบกวนมันก็สามารถเกิดขึ้นแล้วก็รบกวนจิตใจเราได้เราจะเริ่มต้นด้วยการปล่อยวางนะอารมณ์เหล่านี้นะจะให้ปล่อยวางทรัพย์สมบัติจะให้ปล่อยวางล า, งาบสักการะชื่อเสียงนี่มันยากเพราะเรายังหลงเสน่ห์ของมันนะแต่อารมณ์เหล่านี้เนี่ยตัวห้าตัวเนี่ยนะมันเราก็คงเห็นดีด้วยว่าเนี่ยปล่อยวางได้ยิ่งดีเท่าไหร่ จริงๆแล้วเนี่ยถ้าหลักว่าเรามีสติมีความสึกตัวเนี่ยอารมณ์พวกนี้มันก็ครอบงําใจได้ยากนะถ้าเรามีสติรู้ทันอารมณ์พวกนี้เนี่ยนะมันก็เหมือนกับเจ้าของบ้านที่ดูแลบ้านดีมันก็ไม่เปิดช่องให้ขโมยเข้ามาในบ้านได้พวกนี้วอนทั้งห้าตัวเนี่ยมันเหมือนขโมยนะมันแอบเข้ามาเวลาเจ้าของบ้านเผลอเนี่ย มันเข้ามาคลองใจเวลาเราเผลอเวลาเราลืมตัวไม่มีสติไม่มีความรู้สึกตัวแต่พอเรามีสติมีความรู้สึกตัวขึ้นมาอ้าวมันก็ค่อยๆเหลือนหายไปนะแล้วพอมันหายไปเนี่ยนะมันจะเกิดความสบายความโปร่งบามาแทนที่พระอาจารย์เนี่ยเปรียบเทียบนะว่าเวลาเวลาการมาราคะมันหายไปเนี่ยมาเมื่อคนที่ หมดนี่สินนะลองดูภาพในคนที่เป็นนี้สินเนี่ยนะมันร้อนเงินมันอยากได้อยากได้เงินมากเพราะร้อนเงินนะกระสับกระส่ายแต่พอนี้สินมันหมดนะพอหมดนี่หมดสินนี่รู้สึกสบายโล่งอกไม่มีความสึกรุ่มร้อนนะไม่มีความสึกร้อนเงินอีกต่อไปอารมณ์ของคนที่ภาวะของคนที่ไม่มีตัว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 หายป่วยหายไข้แล้วสบายกลับมาเป็นปกติแล้วคนที่เป็นอิสระจากความงงเาหงาเฮานอนเนี่ยหรือว่าความงงเาหงาเฮานอนนี่มันเลือนหายไปท่านก็เปรียบมันกับเมื่อคนที่ออกจากคุกนะออกจากคุกนี่โอสบายนะโล่งนะไอ้ส่วนอุทาาจารย์กุศจาเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นอิสระจากมันเมื่อไหร่หรู้ว่ามันเลือนหายไปเนี่ยก็เหมือนกับ คนจากความเป็นทาตุความคนที่เป็นทาตเนี่ยก็จะพยายามดินน้นรนพยายามที่จะหนีพยายามที่จะเป็นอิสระให้ได้มีเชือกก็พยายามดึงเชือกมีโซ่ก็พยายามดึงโชดึงโซ่มันอยู่นิ่งไม่ได้เลยนะอาการคนที่มีความฟุ้งซ่านอุทจักกุจจาเนี่ยมันจะอยู่เฉยไม่ได้เลยเมื่อนคนที่เป็นเป็นธาตถูกล่ามาไว้ต้องหาทางหนีแต่พอเป็นอิสระแล้วเนี่ยมันก็สบายแนละ้ว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 เวลาเรามีความลังเลสงสัยเนี่ยมันจะมีความรู้สึกค่ายคนที่เดินวกไปวนมาหาทางออกไม่เจอเนี่ยท่านเปลี่ยนมาคนที่หลงทางอยู่ในทะเลทรา ย, เ, ยเวลาเราสงสัยมีความลังเลยเนี่ยมันจะเป็นความรู้สึกแบบนั้นแต่ว่าพอเราเป็นอิสระจากความรังเลสงสัยก็เหมือนกันคนที่ข้ามทะเลทรายได้อย่างปลอดภัยไอ้นิวรเหล่านี้เนี่ยนะ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 ไม่มีสติไม่มีความรู้สึกตัวนะีคืออยู่ในความหลง น, นักปฏิบัติที่ฉลาดก็ต้องรู้จักหาทางนะแก้อารมณ์ของตัวหาทางปลดเปลื้องใจกออกจากนิวรณ์ออกจากอารมณ์เหล่านี้ไม่หม่ๆจะสู้กับมันซึ่งซึ่งหน้าก็ไม่ได้นะเช่นความง่วงเนี่ยทั้งง่วงเลยจะสู้กับมันเนี่ยก็พลอยหลับได้ง่ายมากบางทีเราก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถบางนะเปลี่ยนอิริยาบถ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 แต่พอมาอยู่ในวัดอ ย, อยู่ในกลับมาอยู่มาอยู่ในป่าอยู่ในทางจงกรมสิ่งเรามีน้อยนะไม่ได้พูดไม่ได้คุยกับใครมันก็ไม่มีสิ่งที่กระตุ้นเราให้ใจตื่นหรือว่าเกิดความตื่นตัวขึ้นมาก็คล้ายค้ากับคนที่เคยตีกาแฟแล้วไม่ได้กินกาแฟเนี่ยมันก็จะมีอาการง่วงเพราะว่าเคยชินกับสิ่งเร้าพอไม่มีสิ่งเล่าก็จะ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 พอมาปฏิบัติแล้วไม่มีอะไรคิดมันก็หาเรื่องคิดเองบางทีก็เอาเรื่องเก่าๆมาคิดเหมือนกับวัวนะวัวเนี่ยพอมันไม่มีหญ้า ก, กินมันก็เคี้ยวเอื้องเลยเอาของเก่ามาเคี้วยวใจเราก็เหมือนกันพอไม่มีอารมณ์ใหม่ๆมาให้ให้เสพไม่มีเรื่องใหม่ๆมาให้คิดมาให้รับรู้ไม่มีข้อมูลข่าวสารมาให้เสพมันก็เอาเรื่องเก่าๆเนี่ยออกมาให้กิดเสพ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 เท้าก็ก้าวไปแต่ใจไม่รู้ไปคิดเรื่องอะไรอันนี้เียกว่าลืมตัวคือไม่รู้่ตัวเองกำลังทําอะไรอยู่แต่มันก็ไม่ถึงกับลืมตัวแบบคนบ้าหรือคนเมานะเอาคนบ้าคนเม า, านี่ลืมตัวทิ้งช่วงนานแต่พวกเรานักปฏิบัติจะลืมตัวเป็นพักๆเรียวกลับมารู้ตัวใหม่แล้วเดี๋ยวก็ลืมอีกนะส่วนใหญ่ความหลงมันจะมากกว่าความรู้ตัวนะ ปฏิบัติไปร้อยส่วนนี่ก็จะหลงสักเกส่วนอีกส่วนอีกสิส่วนนี่ก็รู้ตัวแต่พอทําทไปทําไปความรู้ตัวก็จะมากขึ้นถ้าทําถูกนะความตัวก็จะมากขึ้นเป็น20สเป็นสาสส่วนความหลงก็จะลดลงนะจาก80ก็แต่ก่อนอาจจะ90้าสิก็เหลือแปดสบเจดสความรู้ตัวนี่มันเกิดขึ้นมาเองนะจะไปบังคับมันก็ยาก